พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไว้ทั่วไปว่าคือความรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่รู้จักทุกรู้จัก สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักนิโรธความดับทุกข์รู้จกักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านพระสาริบุตรเทระก็ได้อธิบายสัมมาทิฏฐิแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่ท่านประมวลไว้ในสมมติสูตรโดยที่ท่านได้อธิบายกว้างขวางออกไปขยายความออกไปจับตั้งแต่เบื้องต้น โดยที่ท่านได้กล่าวตั้งเป็นกระทู้ขึ้นว่าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไรท่านก็อธิบายว่าได้แก่ ค ว, ความรู้จกักอกุศ ล, ล, ล, ศลความรู้จกักอกุศลละมูลมูลเหตุของอกุศลความรู้จักกุศล ความรู้จักกุศลมูลมูลเหตุของกุศลท่านก็แสดงอธิบายขยายความต่อไปอีกว่ากุศลนั่นอกุศลนั่นได้แก่อะไร ท่านก็ยกเอาอากุศลกรรมมาบทคือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลขึ้นแสดงทางกายอันเรียกว่ากายกรรมอันเป็นอกุศลสาม คือการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหนึ่งการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้หนึ่งการประพฤติผิดในกามทั้งหลายหนึ่งทั้งสามนี้เป็นทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางกาย ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาคือวจีกรรมมีสีก็ได้แก่พูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพ้อเจ้อเหลียวไหลหนึ่ง ก็รวมทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางวาจาเป็นสี่ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทางใจสามก็คืออภิชาโลบแห่งเลง ทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นหนึ่งพยาบาทปองไรเขาหนึ่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากครองธรรมเห็นเห็นว่าไม่มีบาปไม่มีบุญ จะทำอย่างไรก็ไม่เป็นบาปจะทำอย่างไรก็ไม่เป็นบนุญไม่มีผลของบาปบุญและไม่มีมานดาบิดาไม่มี กรรมดีกรรมชั่วผลต้องกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสมณพราหมูประพฤตชอบทั้งหลายปฏิเสธว่าไม่มีทั้งหมดเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด จากรองทมก็รวมเป็นทางกรรมที่เป็นอกุศลทางใจ3รวมรวมเป็นอกุศลและกรรมมาหมด บ, ท, บทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลสิบนี่คืออกุศล สัมมาทิฏฐิก็คือรู้จักทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลทั้งสิบประการเหล่านี้ว่าเป็นอกุศลจริงอกุศลละมูลมลเหตุของอกุศลก็ได้แก่โลบคือความ โลภอยากได้อันนําให้ประกอบอกุศ ล, ลกรรมโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองอันนําให้ประกอบอกุศลกรรมโมหะความหลงอันนําให้ประกอบอกุศลกรรม สัมมาทิฏฐิก็คือความรู้จักอากุศลละมูลเหล่านี้ว่าโลภะโทสะโมหะเป็นมูลเหตุของอากุศลกรรมทั้งหลายตามเป็นจริงส่วนกุศล และกุศลละมูลนั่นส่วนกุศลและกุศลละมูลนั่นก็ตรงกันข้ามกุศลก็ได้แก่กุศลละกรรมบททั้ง10บคือทางแห่งกรรมที่เป็ น, ปนกุศลเป็นกายกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสาม กายกรรมสก็คือเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นจากความกระพริผิดในกามทั้งหลายเจีกรรม4ก็คือเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคําหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหล้วไหล มโนกรรมสามก็คือไม่โลบเพ่งเลงทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองไรผู้อื่นและสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามครองธรรมทั้งสิบข้อนี้ก็ตรงกันข้ามกับอกุจนลกรรมบทดทั้งสิบ สัมมาทิฏฐิก็คือรู้จักกุศลกรรมหมดทั้งสิบนี้ว่าแต่ละข้อเป็นกุศลจริงส่วนกุศลละมูลมูลเหตุของกุศลนั้นก็ได้แก่อโลภะ ความไม่โลภอยากได้โดยมีสันโดษความพอใจอยู่ในทรัพย์สมบัติเฉพาะที่เป็นของตนเท่านั้นเป็นต้นอนโทสะความไม่โกรธแค้นขัดเคืองก็โดยที่มีเมตตากรุณาเป็นต้น อมโมหะความไม่หลงก็คือความที่มีปัญญารู้ตามเป็นจริงอันทรมาให้หลงไหลไม่ให้ถือเอาผิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จัก อุส ล, ลมูลเหล่านี้ว่าทุกทุกข้อเป็นมูลเหตุของอุสลจริงสมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังนี้เป็นทิฏฐิคือความเห็นเป็นทัศนคือความเห็น เป็นญาณะคือความรู้หรือเป็นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงที่จำต้องการเป็นขั้นต้นของทุกๆคนในโลกแต่ว่า จะได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นครอบดังนี้ได้ก็ต้องอาศัยความที่ใช้ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้นในการประกอบ ปลูกปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการฟังการเรียนอันรวมในคำมมสุตะะด้วยการคิดพินิตพิจรารณาอันรวมเรียกว่าจินตาและด้วยการปฏิบัติอบรมต่างๆ ในข้อที่พึงปฏิบัติอบรมนั้นๆอันเรียกว่าภาวนาและเมื่อได้ประกอบปฏิบัติปลูกปัญญาอบรมปัญญาเพิ่มพูนปัญญา ในทางที่ถูกต้องอยู่เสมอก็ย่อมจะได้ปัญญาที่เป็นปัญญาถูกต้องอันเรียกว่าสมับปัญญาได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ดังกล่าวและข้อนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในที่อื่นอีกว่าก็ต้องอาศัยมิตรตสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยมิตรให้ความว่า ได้มิตรที่ดีงามอันเรียกว่ากัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเป็นยอดของกัลยาณมิตรมัณดาบิดาครูอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นกันลยาณมิตรเพื่อนมิตรทั้งหลายซึ่งเป็นภูทรงปัญญา สามารถที่จะให้คำแนะนำอบรมอันถูกต้องได้ก็เรียกว่ากัญยาณมิตรต้องอาศัยกัญยาณมิตรนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือโยนิโสมนสิการที่แปลว่า การทำไว้ในใจจับให้ถึงต้นเหตุดังเช่นเมื่อกำหนด เพื่อรู้จับอกุศลก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุว่ามีมูลเหตุมาจากโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลและมูลเพื่อ กำหนดเพื่อรู้จักกุศลก็ต้องจับให้ถึงต้นเหตุว่ามีต้นเหตุหรือมูลเหตุมาจากกุศลละมูลคืออโลภะอโทสะอมโมหะดังกล่าวความใส่ใจ คือความกำหนดใจพินิษพิจารณาจับเหตุของผลให้ได้ดังนี้คือโยนิโสมนสิการก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการนี่ อีกข้อหนึ่งได้มีพระพุทธภาตริจัดไว้ว่ากัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการนี้ย่อมเป็นเบื้องต้นของสัมมาปฏิบัติทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นปัญญาหรือจะคลุมไปได้จนถึงศีลทั้งหมดต้องอาศัยมีกัลยาณมิตรและมีโยนิสมมาตั้งแต่เบื้องต้นเหมือนอย่างอนุน เป็นเบื้องต้นวันกัลยาณมิตรและโยนิโสมานินาสิกานก็เปรียบเหมือนว่าเป็นอารุณ์เป็นเบื้องต้นของความสว่างของสัมมาปฏิบัติคุณงามความดีทั้งสิน้นอันนับว่าปเป็นความสว่าง จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการดังนี้และในหมวดธรรมบางหมดวดก็ได้ตรัสอธิบายขยายความออกไปในทางปฏิบัติว่า ซ่งเสพคบหาสัตว์ปรุษคือคนดีก็ได้เกิดกัญญาณมิตรนี้เองวังธรรมของคนดีมีโยนิโสมนสิการใส่ใจ คือนำเอาธรรมะที่ฟังมาใส่ไว้ในใจตั้งตนเดในตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาจับเหตุจับผลและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อใดที่พึงละก็ละคอยที่พึงปฏิบัติก็พึงปฏิบัติ ขอ้อใดที่พึงปฏิบัติก่อนก็ปฏิบัติก่อนขอ้อใดที่ปฏิบัติภายหลังก็ปฏิบัติภายหลังดังนี้เป็นต้นเรียวกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเมื่อมีทั้งสี่ข้อนี้ก็เป็นอันว่านำให้ได้ สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงนำให้ได้ความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในประธรรมนำเข้ามาสู่สัจธรรมคือธรรมะของสัตจุรุษหรือธรรมะที่ดี คือถูกต้องคือพระธรรมวิบีไนนี้ดังนี้พระฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อให้ได้สมา ธ, ธิดังกล่าวนี้พระสาริบุตรจึงได้ นำมาทิบมาทิบายไว้เป็นประการแรกและท่านยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าเมื่อได้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบรู้จักอกุศลรู้จักอกุศลละโมล รู้จักกุศลรู้จักกุศลละมูลอันนำให้ได้สมมะทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตรงก็ยอมจะนำให้ได้ความเลื่อมใสที่ไม่วันไหวในพระธรรมนำเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ ที่ท่านเรียกว่านำเข้ามาสู่สั์ธรรมนี้ก็คืกนำเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้นั่นเองและเมื่อเป็นดังนี้ก็ยอมจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติละกิเลสที่ นอนจมหมักหมมดองจิตสันดานอันเรียกว่าอาสวะหรือเรียกว่าอนุัสอันยกขึ้นมาก็คือว่าเป็นเหตุให้ละราคานุัยกิเลสที่นอนจมหมักหม ม, ม อิตตสันดานคือราคะบรรเทาปฏิคานุัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งอันเป็นเบื้องต้นของกิเลสกองถะถอนทิฐิมานานุัยอนุสัยคือทิฐิมานะ และอาวิชาทำวิชาให้บังเกิดขึ้นจึงเป็นไปเพื่อการกระทำความสิ้นสุดความสิ้นสุดแห่งกองทุกได้ดังนี้เพราะฉะนั้นปัญญาที่ต้องการในทางพุทธศาสนา อันเป็นขั้นต้นที่ต้องการทั่วไปก็คือปัญญาที่ทําให้เป็นสมมติฐิความเห็นชอบดังกล่าวก็คือให้รู้จักอกุศลให้รู้จักอกุศลลมูลให้รู้จักกุศลให้รู้จักกุศ ล, กกศ ล, ลมูล แต่ว่าพึงทําความเข้าใจด้วยอีกว่าความรู้จักที่เป็นตัวปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิดังกล่าวนี้ไม่ใช่สัญญาคือความทรงจำความทรงจำนั้นก็คือความจงทรงจำ ตามที่ฟังตามที่อ่านตามที่เราเรียนก็จำได้ว่าอากุศลลรรมบทสิบอกุศลละมูลสามมีอะไรบ้างอากุศละกามบดสิบอกุศลละมูญสามมีอะไรบ้างก็จำได้ความจำได้ดังนี้ ยังไม่เป็นปัญญายังไม่เป็นสมาธิที่ดังกล่าวต้องอาศัยความคิดพินิษพิจารณาและการปฏิบัติ อีกด้วยคือว่าต้องคิดพิจารณาไปและต้องปฏิบัติไปการปฏิบัติไปนั่นก็คือปหาะละอย่างหนึ่งภาวนาทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นหนึ่ง ละก็คือว่าต้องฝึกละอักุศลลกนลกรรมมบททั้งสิบละอักุศลละมูลทั้งสามนี่เป็นข้อที่ต้องปฏิบัติฝึกขัดละภาวนาคือทำให้มีขึ้นในเป็นขึ้นนั้นคือต้องปฏิบัติ ที่จะประกอบอุปสนกรรมมบททั้งสิบและอบรมอุสลนมูลอโลพะอาโทสะ โ, โมหะไอ้บางไม่ให้มีขึ้นให้บางเกิดขึ้นในจิตใจนี่ ก็รวมเข้าในคำภาวนาสุตะกินตาภาวนาซึ่งเป็นเหตุให้ได้ปัญญาปัญญาที่ได้จากสุตตะคือการสดับการอ่านการเรียนก็เรียกว่าสุตตามัยปัญญาที่ได้จาก ความคิดพินิษพิจารณาก็เรียกว่ากินตาไหมาปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติอบรมก็เรียกว่าภาวนาใหม่ปัญญาแต่ว่าในข้อสมนี้ก็ต้องประกอบด้วยทั้งละ